ส่งกันบ้านสามคนนี้าล้วต้องไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะอย่าทิ้งการปฏิบัติอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบต้องทาบ้านนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยอย่าเพิ่มกาลังหรือเดินจงกรมเนี่ยที่เรารู้สึกว่าคือต้องเดินจนจิตหมดภูม แต่ต้องการสงบเนะี่ยอย่าอยากสงบเคล็ดลับของการทําสมถธิต้องทําให้สบายเงั้เราต้องหาอารมณ์ที่ใจมันชอบอารมณ์ที่เป็นกุศลนะใจมันชอบไม่ใช่อารมณ์แบกุศล <Okay. S 1> อย่างไปตกปลาเนี่ยมันก็บอกสงบใช้ไม่ได้แต่ถ้าไปเลี้ยงปลาแล้วสงบเนี่ยใช้ได้ตอนนี้จิตมันก็ดีกว่าครั้งก่อน ก็มีกําลังขึ้นมาแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมนะงั้นเวลามันเสื่อมเนี่ยอย่าตกใจยิ่งจากตกใจนะยิ่งเสื่อมหนักยิ่งเสื่อมนานเพราะ ง, งั้นเวลามันเสื่อมนะทําใจเย็นๆเออเสื่อมได้ก็เสื่อมไปอย่าดูเรื่อยๆเสื่อมเราก็ดูมันไปทั้งเสื่อมๆนั่นแหละแล้วทําทใจอย่างนี้นะสบายใจสบายใจรูว้ว่าสบายใจเดี๋ยวก็จเจริญอีกแล้ว ทำมายังไงไม่เป็นไรนะให้มันไม่ทุกข์ก็แล้วกันรู้สึกไหมว่าจิตเราตื่นขึ้นมาเกิดขึ้นมานะความทุกข์น้อยลงน้อยลงไม่รู้สึกว่ามันรู้กายรู้จิตแต่รู้สึกว่าถ้ามันรู้ตัวรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตัวเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้อัตโนมัตินะกิเลสเรืออะไรเกิดขึ้นในใจมันก็รู้อัตโนมัติดังเบื้องต้นน่ะรู้สึกตัวไหม มีคนเอานังสือหลวงพ่อเทียนมาให้อ่านน่าอ่านนะพ่อเทียนสอนดีมันบอกให้มีสติรู้สร้างกาเคลื่อนไหวเจะยกมือจะยกเท้าอะไรเนี่ยให้คอยรู้สึกไปท่านบอกให้คอยรู้สึกนะถ้ารู้สึกไปแล้วก็หรืออย่างใจมันไปคิดนียให้รู้ว่าจิตใจมันหนีไปคิดนะ่ท่านสอนดี แล้วท่านบอกว่าถ้าเมื่อไรจิตมันไปคิดเรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดเนี่ยได้ต้นทางการปฏิบัติท่านท่านว่างี้แล้วทางรัดที่สุดเลยก็คือการที่มีสติคอยดูจิตไปเลยเราดูปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเรานึกว่าท่านเดินกายนะจริงท่านดูจิตที่ท่านบอกว่าให้กายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกเนี่ยจริงต้องการให้รู้สึกตัว การที่ท่านทํากายานุปัสสนาท่านดูรูปที่เคลื่อนไหวท่านบอกให้รู้สึกไปมันยกมือยกเท้าไปรู้สึกไปต้องเอาความรู้สึกตัว น, นั่นเองต้องการให้เกิดความรู้สึกตัวนี่ส่วนใหญ่รุ่นหลังๆนะมาทั้งพระทั้งโยมที่มานะัม้งที่เรียนมาจากท่านมันมันเริ่มแหว่งออกไปอย่างขยับเนี่ยไม่ใช่เพื่อรู้สึกตัวหล้วกลายเป็นขยับเพื่อจะจ้องมันเอาเป็นเอาตายขึ้น เอาจิตเข้าไปแนบไปในนี้เลยท่านบอกว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางซะรู้แล้วปล่อยไม่ใช่รู้แล้วตรึงความรู้สึกเข้าไปเนี่ยมันเริ่มสภาวะมันเริ่มต่างกับที่ท่านสอนไม่ได้ผลนะกลายเป็นเพ่งทําไปแล้วเครียดเครียดไปด้วยเครีท่านสอนให้แค่ว่ามันไหวนะรู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกแล้วปล่อยมันไปไม่ได้ให้เพ่งอะปล่อยรู้สึกอยากสบายรู้สึกไป เมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาจิตแจมจะหลุดออกจากโลกของความคิด น, ะนี่พอเราหลุดออกจากโลกของความคิดท่านบอกเป็นต้นทางการปฏิบัติก็ถูกของท่านอีกนะถ้ายังไหลเวียนไปในโลกของความคิดเนะี่ยเรารู้สภาวะของรูปของนามไม่ได้จริงนะมันจะคิดเรื่องรูปเรื่องนามมันไม่ใช่รู้เรื่องรูปเรื่องนามเนหะือนที่ท่านบอกว่ามันการที่เราจิตไปคิดรู้ว่าคิดเนะี่ย เป็นต้นทางก็ถูกของท่านก็เป็นต้นทางด้วยเป็นกลางทางเป็นปลายทางด้วยนะเพราะท่านบอกนี่ทางลัดก็คือดูจิตใจของตัวเองไปเลยเพ า, าจริงแล้วตอนหลังเนี่ยจะไปชนกับคาสอนของหลวงู ด, ดูลยความรู้สึกทาง ม, างามตัวจากกายมันก็แกขงจิตใช่มันก็ข้ามาที่จิตนะพอรู้สึกตัวก็คือไม่เผลอไปในโลกของความคิด น, นั่นเองแต่ส่วนมากพอไปอย่างนี้จะไปเพ่งใส เพ่งใส่กายหรือท่านบอกว่าจิตไปคิดให้รู้อาการที่จิตไปคิดสอนอย่างนี้นะรุ่นหลังๆเริ่มมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้บอกว่าหลวงพ่อเตียนสอนให้ดูความคิดคนละเรื่องกันเลยความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดเนเป็นสมมุติบัญญัติอาการที่จิตคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมัตดเงี้ยที่หลวงพ่อเตียนสอนน่ะท่านสอนถูกแล้นะนะ คูบาอาจารย์หลายๆองค์เลยท่านคือไม่จําเป็นว่าต้องสายหลวงภู่มั่นสายอื่นท่านก็มีนะที่ท่านดีๆไม่ไม่จํากัดว่าสายไหนสายไหนแต่ว่าถ้าทําถูกนะมันลงอันเดียวกันคือจะตรงกับที่พระเจ้าสอนไว้เลยเกี่ยวกับสติปัฏฐานนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดสติท่านไหวเพื่อให้เกิดสติให้รู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อบังคับนะใจหนี้พิคิดรู้ว่าใจหนีพิคิด ไม่ใช่ให้รู้เรื่องพิจิตต์ก็อ่านพระละมันเนาะอย่างนี้เ อ, อธรรมะแท้ๆแต่ใจของพวกเรามันจะทรงธรรมะของจริงไม่ค่อยได้มันจะเพี้ยนอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนลงมาท่านบอกว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละความอยากให้ละเราอยากละทุกท่านบอกให้รู้ทุกเราก็จะละทุก กับหวกับหางทุกเรื่องนะท่านบอกให้ตามรู้กายให้ตามรู้เวทนาให้ตามรู้จิตกายานุปัสสนาตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิตของเราแทนที่จะตามรู้เราไปจ้องเอาไว้ก่อนไปทําอะไรที่ไม่เหมือนท่านที่ท่านบอกแล้วมาบ่นมาโอ้ยทําหลายปีนะไม่แค่สงบแล้วฟุง้งซ่านก็ทําแค่สมถะ สมถะทําง่ายเนี่ยจับอารมณ์อะไรขึ้นมานะมันอยู่อารมณ์คนเดียวมันก็เป็นสมถนะละงยโยมมาจากนครปฐมกันเหรอรหเคยฝึกมาจากไหนเคยฝึกกันมาจากไหนบ้างหละ่ะเอาเหรอมีมาคู่หนึ่งนะมาแทบทุกอาทิตย์เลยวันเสาร์อาจารย์จุลภาพ มีจเจ้าลพามาคุณชาตพนนะชัตพนผู้ภาวนาเก่งนะทําแนเก่งจริงๆการปฏิบัตินั้นง่ายๆนะไึ่ต้องทำอะไรมากเรื่องคิดมากคิดมากยากนานนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะเราก็องคอรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติว่าต้องทําอะไรพิลึกพิลั่นนะ ทำปฏิบัตินั้นง่ายๆพระเจ้ า, จาสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไงรู้สึกตัวเป็นไหมไม่เป็นหรอกเราจะรู้สึกตัวไม่เป็นหรอกในโลกเนี้ยหาคนรู้สึกตัวแทบไม่ได้เลยนะแทบไม่มีเลยไม่ได้แกล้งว่านนะถ้าฟังหลวงพ่อพูดอึดๆทนๆฟังไปนะถึงจุดหนึ่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาจะรู้เลยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก เราตื่นแต่ตัวแต่ใจของเราเนี่ยหลับแต่ของเราฝันตลอดเวลาเนี่ยไปจับสังเกตไม้มใจของเราอันนี้ไปอยู่กับความคิดทั้งวันนนะกระทั่งฟังอาจารมาพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวอะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดสังเกตออกไหมคิดมากกว่าฟังอีกดูออกไหมเนะี่ยคุณที่ใส่แว่นนะ่ะทราบไหมหนีไปคิดแล้ว <c oughs> นะใจของเราเนี่ยจะหลงไปอยู่กับความคิดทั้งวันเลย คนที่รู้สึกตัวนี่หาไม่ได้ยากที่สุดเมื่เราคุ้นเคยนี่หนีไปคิดเวลาดูเราก็หนีไปดูลืมตัวเองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราจะลืมกายลืมใจของตัวเองนึกออกไหมอยากเห็นคนเดินมาพอเราดูปุ๊บใจเราจะวิ่งไปอยู่ที่เขาละลืมตัวเองได้ยินหลวงพ่อพูดนี่หูได้ยินเสียงก็หลงไปอีก ลืมตัวเองอีกสังเกตไหมตอนตั้งใจฟังเนี่ยลืมตัวเองนั่งไปนั่งไปฟังไปคิดไปบางทีคิดไปเรื่องอื่นเลยไม่เกี่ยวกับที่พูดก็มีนะแม้ตอนที่เราไปรู้เรื่องที่คิดนะเราก็ลืมตัวเราเองสังเกตนะค่อยๆสังเกตดูตอนที่เรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจของเราเองนึกออกไหมเนี่ยลืมนะเห็นั้มงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะลืมทั้งวันเลย ลืมทั้งมันแนละมาบน่นบอกปฏิบัติทำหลายปีไม่ก้าวหนา้าก้าวหน้ามไม่ได้ไม่มีสตินะมีแต่ขาดสติมีแต่หลงไปหลงไปกับความคิดนะคุณหลงไปแล้วนะดูออกไหมมันเฝือมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจของเราเนะี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะยากมากยากที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกตัวเนี่ยหนีไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปลืมตัวเอง พั้นมาเรียนกับอาตมานะอาตมาไม่เรียกร้องอะไรเลยนะเงินทองอะไรไม่เอานเรียบร้องอันเดียวอืดๆไม่ทนทนไหมมันยากยากกว่าจะตื่นสักคนหนึ่งของคุณตื่นได้แล้วก็ดีนะนะรู้ตัวไหมมันตื่นขึ้นมาแล้ว <c oughs> พอมาแล้วเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยเร่องชีวิตที่ผ่านมามันจะฝันฝันฝันไปเรื่อยเนี่ยใจลอยรู้จับไหม ใจลอยไปก็คือลืมกายลืมใจของเราเองนะเราใจลอยทั้งวันเนี่ยไปอีกแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราก็คือพอมันใจลอยแล้วรีบรู้ให้มันใว้ว้หน่อยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเ <c oughs> นี่ยไปคิดซ้ําต่อก็วิ่นะ <c oughs> อดทนนะในการเรียนธรรมะต้องทนเรียนวิชาทางโลกนะกว่าจะได้ปริญญาสักใบ ในประกาศสัญญาบัตรสะใบเรียนหลายปีเนะี่ยเรียนธรรมะก็ต้องอดทนใช้เวลาใช้ความสังเกตเอานะไม่ใช่ความคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมะเรียนไม่ได้กระทั่งด้วยการฟังหรือการอ่านอย่างมาฟังอาตมาพูดมันธรรมะของอาตมาโยมฟังแล้วยมได้ความจํากับบ้านไม่ได้ธรรมะนะความจํำกับความจริงกุลาลันกัน นั่งคิดเอ e าเองนั่งคิดา ม, มาธรรมะเป็นอย่งมมายงนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ได้คือความคิดไม่ใช่ความจริงอีกแล้วความคิดกับความจริงกับคนลอ่านกันมาฟังอาตมาพูดหรือไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ความจำแต่ไม่ใช่ความจริงอีมกมันความจริงของพระพุทธเจ้าของตาละหันสาวกไม่ใช่ความจริงของเรานี่ทําไงเราจะเห็นธรรมะของจริงต้องเห็นด้วยตัวเองนะมิธีจะเห็นธรรมะของจริงเนี่ย ต้องโอปนัฏยโกน้อมเข้ามาหาตัวเองอย่าลืมตัวเองน้อมเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไหมนะอภิธรรมจะสอนวิปัสสนาให้รู้รูปนามนี่นเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคอยรู้สึกไปนะกายกับใจเนี่ยจะสอนธรรมะของจริงให้เราส่วนที่นั่งคิดก็ได้ความคิดไม่ใช่ธรรมะของจริง นั่งฟังธรรมาพูดก็ไม่ใช่ธรรมะของจริงใครรู้สึกอยู่ที่ตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์เราฟังแล้วเราก็ไม่ได้ของจริงอะไรถ้าเราจะรู้สึกเลยไม่เห็นจะทุกข์เท่าไหร่เลยรู้สึกไหมกายไม่เห็นจะทุกข์เท่าไหร่เลยต้องป่วยหนักๆ น, น, นะถึงจะรู้สึกทุกข์ต้องหิวข้าวมากๆปวดท้องมากๆถึงจะทุกข์ หนาวมากๆร้อนมากๆถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆนี่ไม่ค่อยทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราก็รู้สึกไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเมร้ะธรรมะมันไม่เข้ามาสู่ใจเราแต่ถ้าเรามาคอยรู้สึกตัวรู้กายเนึ่งเมื่อจะเห็นได้มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะทุกข์อยู่ทุกทุกอิริยาบถอย่างเรานั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนยืนนานๆนนเมื่อย ก็ต้องมาเดินมานั่งมานอนเปลี่ยนียรยาบทก็เพื่อแก้ทุกข์ไปทั้งวันจริงๆแล้วกายเป็นตัวทุกข์เราหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์นะถ้าเราไม่หายใจเราก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วกต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ไม่หายใจเข้าหายใจออกก็แก้ทุกข์เปลี่ยนียรยาบทก็แก้ทุกข์นะ ไปทานอาหารไปขับท่ายก็เพื่อแก้ทุกข์เนี่ย น, นั่งเฉยๆก็คันก็เกาแก้ทุกข์อีกถ้ามีสติรู้กายเรื่อยๆกายนี้เป็นก้อนทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีจะเห็นอย่างทราบซึง้งทราบซึ้งถึงอกถึงใจนั้นธรรมะนี่ต้องเรียนเข้ามาให้ถึงกายถึงใจถึงจะทราบซึ้งถึงใจนะนั่งฟังนั่งคิดเอาไม่ทราบซึง้งคือหัดดูใจของเราไปนะ จิตใจจะแสดงอันน well. ี้จังได้ชัดเจนแจขงเราเปลี่ยนทั้งวันตอนตื่นนอนกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกต่างกันแล้วรู้สึกไหมตอนตื่นนอนใหม่ๆกับความรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนชุมนุมปนรอเพื่อนอยู่กับความรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งๆตอนนั้นไม่นิ่งอ่ะตอนนั่งรถมาสนุกสนานรู้สึกไหมตอนนี้เฉยๆความรู้สึกเราไม่เหมือนกัน ใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกั น, นเปลี่ยนเร็วที่สุดเลยเยเราเห็นคนเดินมาเราเห็นคนนี้เพื่อนรักเราเดินมาความรู้สึกก็ดีใจแล้วเห็นไอ้คนนี้เกลียดมันยังเลยความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นความรู้สึกมันเปลี่ยนใ้ความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งวันถ้าเราคอยรู้อยู่ที่กายแล้วเห็นกายนี้เป็นทุกข์ทั้งวันเลยมารู้อยู่ที่ใจเราก็จะรู้อ๋อมันไม่เที่ยงเลยนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเรารู้ไป ในสุดก็เห็นเลยเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นี่เรียกธรรมะของจริงนะธรรมะเฉพาะตัว้หเห็นทราบซึ่งถึงใจมันจะปล่อยวางเห็นไม่ถึงใจไม่ปล่อยหรอกนะปล่อยไม่ได้หรอกคุณผู้ชายที่ใส่แว่นเนี้ยหนีไปทําอะไรเมื่อกี้นี้รู้ไหมเมื่อกี้นี้ทําอะไรอยู่คิดอยู่นะหลงคิดเติมคําว่าหลงเข้าไปเลยหนะลงคิด คุณก็หลงดูเนี่ยหลงคิดไปแล้วหลงหลงทั้งวันนะหากคนไม่หลงหากคนรู้สึกตัวนียากที่สุดยากเนี่ยคุณผู้ชาย <c oughs> ตัวสูงๆนะี่หลงไปแล้วคุณนะลืมตัวเองแล้วเนะใจเราลอยไปูชายครับยังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยหัดง่ายนะพวกที่เคยหัดยาก พวกที่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะฟังไปเรื่อยๆนะฟังเดี๋ยวก็เข้าใจส่วนพวกเคยปฏิบัตินยะจะไปติดสมถะติดเช่งติดบังคับตัวเองนะจนชื่อๆอยู่ทั้งวันนะคือได้ที่ระบอกภาวนาดีนะ <c oughs> ปวดหัวที่สุดเลยพวกนะับปฏิบัตนะิคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะทาผิดอย่างเดียวคือหลงสุดโตไปข้างหลงนะส่วนพวกที่ชอบปฏิบัตินะสุดโตสองอย่างถ้าไม่หลงไปก็บังคับไว เจ้าสอนสุดตรงสองอันไม่เอานะตรงอันที่หนึ่งเรียกกาปรปุกขันริการนุโยกหลงไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเช่นอยากดูอะไรสวยๆ ว, วิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังอะไรเพราะๆวิ่งไปฟังลืมตัวเองนะอยากคิดเรื่องที่สนุกสนานเรื่องเพลิดเพลินหมวแต่คิดคิดแล้วก็ลืมตัวเองนี่เรียกหลงอารมณ์หลงไปตามอารมณ์เรียกการสุกขันธิการนุโยคนะ ส่วนตรงข้างที่สองข้างบังคับตัวเองพวกที่เคยฝึกกรรมาฐานจะรู้สึกเลยจิตใจของเราธรรมดาก็อยู่ปกติอย่างเงี้ยพอคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจกายก็แข็งทื่อๆขึ้นมานะคุณรู้สึกไหมมันแข็งขึ้นมานะ่ะร่างกายเราอะจิตใจก็บังคับให้มันนิ่งนิ่งให้มันทื่อๆไว้มีปัสนาไม่ได้ฝึกบังคับหรอกมีศาสนาให้รู้อย่างที่มันเป็นแต่พวกเราอย่าชอบฝึกบังคับ หนึ่งคำคำได้สมถะเมื่อกี้เผลอไปแบบหนึ่งทราบไหมเผลอไปค่อยรู้สึกนะรู้สึกรู้เล่นๆอย่าจังอย่าทําจริงจังอย่าจ้องอย่าเพ่งนี่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมหลงคิดพอจะดูออกไหมหลวงพ่อเทียนบอกว่าท้าเม่อไหร่คิดไปไปคิดแล้วรู้ทันว่ามันไปคิดนะเนี่ยท่านบอกเนี่ยต้นทา ง, งการปฏิบัติ ท่นไม่ได้พูดเล่นๆนะท่านพูดจริงๆเย่ยถ้าเรายังไหลอยู่ในโลกของความคิดเรารู้เรื่องที่คิดนะเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์บัญญตัติถ้าเมื่อไหรเรารู้ทันว่าใจมันไปคิดเนี่อรู้อารมณ์ปรามัตรู้ทันจิตเมื่อไหร่รู้อารมณ์ปรามะตร์นั้นก็เรียกว่าเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางของมีปัสนามีปัสนาก็คือการที่เราคอยรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็น พอเรารู้กายรู้ใจกายกายับใจนี่จะสอนธรรมะเราเองนะไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องไจ ร, รักเลยนะรู้สึกกายกายก็สอนไจ ร, รักให้ดูรู้สึกใจใจก็สอนไจ ร, รักษนะจูนกลับมารู้สึกหนีไปละอาจารย์ปูวันนี้ไม่ทํางานหรือมากระไรหนาะมากระจิดหนะึออ่ง ไงคุณมีต า, าเป็นไงไปยุ่งกับโลกอีกไห ม, ม ด, ด, ดีละวละ่ะนะใจเราเริ่มสงบบ้างดีละวอรู้สึกไปมันห้ามไม่ได้นะสังเกตไหมใจมันจะพุ่งไปห้ามมันไม่ได้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราห้ามมันไม่ได้ ไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับมั น, น, น, นพยายามดึงอนนเอออย่าดึงเหมือนน้าดึงแล้วอึดหัดของคุณนี่ล่ะคุณผู้ชายที่ใส่แบ่นนี้มาจากไหนล่ะเออเคยฝึกมาจากไหนเออเควก็ดน้ครับแล้วก็มาทีจังสมัยเป็น่ผู้ได้าอดะมีก็นะดีลอืมดีนะฝึกไป หลวงปู่พุทธชัยศละหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ตลาดเป็นพระโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวเป็ดตอนนั้นท่านไปที่องค์การโทรศัพท์กันเดินนํามาพระมาเยอะเลยแล <c oughs> ้วท่านรู้สึกตัวอยู่องค์เดียวแหละ <c oughs> นอกนั้นชอบเพ่งเอาของคุณยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมย่างบังคับนะอย่างประคองอยู่ตรงเนี้ยไม่ถูก นะค่อยๆเรียนไปนะอดทนต้องทนนะหลวงพ่อเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาต้องทนทนเดิมทนหลวงปู่พุทธชยอิสระได้ก็ทนหลวงพ่อได้ท่านยิ่งกว่าหลวงพ่ออีกรู้จักใจลอยไหมมันหนีไปคิดเลยแหยะนะบ่อยใจลอยทั้งวันอนะ่ะหาคนที่รู้สึกตัวนะหาแทบไม่มีเลยในโลกอนะของคุณเผลอแล้วคุณรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองเราลืมตัวเราเองนะ ลืมตัวเองเนี่ยสุดต่งไปข้างหลงนั่งประคองไว้นั่งบังคับไว้เนี่ยสุดต่งไปข้างบังคับเรียกว่าอาตาัตตะกิลมัทฐานโยโยะทำตัวเองให้ลาบากนะเนี่ยสุดต่งสองข้างใช้ไม่ได้นะจูนรู้สึกไว้จูนให้รู้ทันนะใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอไปเราบังคับไวมรู้ว่าบังคับไหมให้หารู้ทันไปได้ๆรู้อย่างที่เขาเป็นง่ายที่สุดเลย มันเส้นผมบางภูเขาเราชอบคิดถึงการปฏิบัติเราก็ชอบไปทําอะไรต่ออะไรให้วุ่นวายขึ้นมาถามว่าเรารู้ได้ไหมนะจึงรู้ได้นะโดยเฉพาะการรู้จิตนี่ง่ายที่สุดเลยนะรู้กายที่จะให้เห็นรูปนี่ยากนะดูเข้าไปมันเห็นแต่กายไม่เห็นรูปเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมมือมไม่ใช่รูปนะบางทีพวกเราชอบโมเมลเองว่ารู้รูป ร, รู้ง่ายพราะรูปเป็นของหยาบมันยากเพราะมันหยาบนะ่ะ มันยากเพราะมันหยาบนั่นเองมันดึงความสนใจของเราไปสู่บัญญัติหมดเลยเห็นอะไรเห็นคนเห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้พวกนี้มันไม่ใช่รูปนะรู้อะไรรู้ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่รูปลมหายใจเป็นกายนะอยู่ในกรรมธรรมฐานสนะี่สิบหนึ่ง ก, ก, ก็เป็นสมถะนะตัวลมหายใจตัวมือตัวเท้าตัวท้องพวกนีนะ้เป็นตัวกายทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวรูป ถ้าลมหายใจรู้สึกไหมลมหายใจเนี่ยมีความเย็นความร้อนความเย็นความร้อนเนี่ยตัวรูปกว่าจะรู้แล้วเราหายใจใส่มือเราดูใส่ดูรู้สึกถึงการกระทบไหมสิ่งที่กระทบเนี่ยนะมีมวลของลมะฉะนั้นธาตุดินนะกระทบเรารู้สึกร้อนๆ้อนเลยตรงที่ร้อนร้อนนั้นธาตุไฟนะเห็นไหมธาตุไฟไม่เที่ยงกระทบแล้วก็หายไป เพะนั้นกว่าจะทะลุกายเข้าไปเห็นรูปนี้ยากที่สุดเลยเราชอบโมเมลอย่างว่ารู้กายง่ายเพื่อนจะรู้กายควรจะรู้กายได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นหนึ่งจริงๆนะนั่นถึงสอนกายานุปนะัสสนาเหมาะกับสมถยานิกทำฌานจิตเป็นหนึ่งถึงจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรารนี่บางคนไม่ได้ทำฌานแล้วมานั่งดูแลนะ้ดูรูปนั่ง ดูรูปนั่งมันไม่เห็นรูปนั่งมัวคิดว่าไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปไม่ใช่ตัวเรานั่งนี่คิดเอานะไม่ใช่การเห็นรูปนั่งแต่ถ้าจิตเป็นหนึ่งมันจะเห็นเลยไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่มันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ใช้ได้แล้วงั้นการรู้รูปเนะี่ยยากยากแต่เราชอบว่ารู้ง่ายส่วนจิตใจนามธรรมานะ่ะรู้ง่ายที่สุดเลยถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหม รู้จักทุกคนอ่ะโกรธเป็นไงรู้จักโลภไหมรู้จักหลงไหมรู้จักกังวลไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักอิดช้าไหมรู้จักทุกอย่างเลยแล้วบอกว่ารู้ยากหน้าที่ของเราก็คือตอนนี้ความรู้สึกอะไรมันโผล่ขึ้นมาเราค่อยรู้มันนะไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยรู้จักใจลอยไหมอืมเดี๋ยคุณหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมอย่างนี้เรียกว่าหลงดูเสริมบังคับแล้วรู้สึกไหม เห็น ไ, ไหมมันจะสุดโต่งสองข้างไม่หลงไปก็บังคับไว้นะเพราะเราจะไม่เข้าทางสายกลางทํากี่ปีก็ไม่บรรลุหรอกนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราหลงไปปุ๊บทันทีที่รู้ว่าหลงแนละ้วเราจะตื่นขึ้นฉับพันเลยเราจะรู้สึกตัวนะแต่รู้สึกตัวในชั่วขณะแว บ, บเดียวแล้วจะหลงครั้งใหม่หลงครั้งใหม่รู้เอาใหม่นะจะรู้สึกตัวขึ้นทีละขณนะขณนะ